ทางธรรมนะไม่พูฟังไม่พูพูดฟังธรรมก็ <c oughs> ฟังเรื่องของเราเนี่ยเลยเราก็มีอยู่จริงๆมีกายมีใจมีหูได้ยินเสียงก็พูดก็พูดจริงๆ มองเห็นด้วยตาได้ยินทางหูพูดออกไปสังผัดได้ในสิ่งที่พูดมีปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวล า, านี้มีอยู่จริงเราได้สังผัดกับการเวลาจริงพรงนี้ไม่เห็นหวันนี้ก็ไม่เห็น เดี๋ยวนี้จะทำอะไรก็ทําเดี๋ยวนี้สิ่งที่จะพูดนี่ยสิ่งที่พูดนี้เป็นของทําได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พุ่งนี้ไม่ใช่มือวาด น, นี่วาดทำอะไรไม่ได้พวกนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ จะทาอะไรเราใช้ชีวิตแบบไหนกนารเฉยเวลาไปกับอดีตที่ผ่านมาเสียเวลาไปกับอนาคตที่ยากไม่มาถึงในความคิดพลังงานในการใช้เวลาที่ผิด ไปิดเรื่องเมื่อวานนี้ไม่มีประโยชน์ไปิดพรุ่งนี้ก็ไม่มีประโยชน์ในการกระทำเพื่อทำเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ต้องทำมีความหลงไม่ใช่ทำพรุ่งนี้แต่ทำให้ไม่หลงทำได้เดี๋ยวนี้มันทุกข์ ไม่ใช่ไปแค่พุ่งนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่มีทุกพวงนี้ก็ไม่มีทุกแต่มันทุกเวลานี้ถ้ามันมีอ่ะก็เปลี่ยนมันให้มันรู้ไม่ต้องไปทุกการโฉกมันอะไรก็ตามชีวิ ต, ต้องเรที่จะเป็นชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันปกติชีวิตบ้านของชีวิตคือปกติ ให้สิทธิให้เป็นในวันนี้ในเวลานี้มันโศกวันทุกข์วันโกรธวันหลงมั น, มนอพอใจมัไม่พอใจมันไม่ใช่ชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรแ่เดี๋ยวนี้ให้ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้นี่จะเห็นมันหลงก็เห็นเดี๋ยวนี้ไม่หลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลง ถ้ามันมีทุกข์ก็เห็นเดี๋ยวนี้เห็นมันทุกข์ไม่มีผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันโกรธมันพอใจมันไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็เห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นผู้พอใจไม่ใช่เป็นผู้ไม่พอใจให้เห็นไม่เป็นไปกับมัน เนี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ตรงที่ที่เราจะต้องทำ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ความเกิดความแกความเจ็บความตาย <Yeah. S 1> มีอยู่จริง <Yeah. S 1> เป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้ว <Yeah. S 1> มีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้ว <Yeah. S 1> มีอยู่จริงอย่า <Yeah. S 1> ประมาทไม่ใช่ไปทุกข์มามันทุกข์ เวลามันทุกข์เป็นทุกข์เวลามันโกรธมันโกรธเวลามันเจ็บเป็นเจ็บเวลามันร้อนมันหนาวเป็นร้อนเป็นหนาวมันน้ำมันไม่ได้แก้จริงเหล่านั้นมันป้องกันเดี๋ยวนี้ต้องกันได้เดี๋ยวนี้โดยวิธีนี้เจ้าวิชากรรมาฐานเนี่ย คือที่ตั้งของการกระทำอยู่เดี๋ยวนี้มันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเริ่มไปจากนีมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นว่พอใจไม่พอใจเริ่มเหนียวนี่มันจึงจะไปชนะที่นูน่นเงินโลทำมาลอยทุกษาเรื่องได้ ต้องทำเดี๋ยวนี้ให้มันเป็นบางอย่างไม่ต้องรู้ทำเป็นการทำเป็นไม่มีใครสอนเราได้เราต้องสอนตัวเราเองการทำให้อันรู้คนอื่นสอนให้ได้แล้วก็มีความรู้กันทุกคนเดียนมา ก็สุขทุกข์ความโกรธไม่ดีรู้ความทุกข์ก็ไม่ดีใครก็รู้นั่นคือความรู้ยังทําไม่เป็นรู้ก็ยังมีความโกรธรู้ก็ยังมีความทุกข์มันใช่ไหมได้ต้องมาหัดให้มันเป็นโดยวิธีกรรมฐานวิชากรรมฐานมัน ทุกเห็นเหมือนทุกนั่นไม่เป็นผู้ทุกมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธจึงจะเป็นหัดให้มันเป็นมันจะทุกมันจะโกรธมันจะโลภมันจะอะไรมันเกิดจากความหลงเป็นที่ตั้งงานดาของความชั่วคือความหลงวิชากรรมฐานตรงตรงกันข้ามโดยทีเดียว เมื่อมีผิดมันก็ต้องมีไม่ผิดเมือ่อหนหลงก็ต้องมีไม่หลงเนี่ยเมื่อมืนทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์เมื่อหวังโกรธต้องมีไม่โกรธทาเป็นไหมแจะโกรธเป็นโกรธหรือยังทำไมเ่เป็นทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงยังทำไม่เป็น ฐานฐันคืออะไรคือรู้ไม่ต้องไปแก้ความหลงนั้นเราเราจะซักผ้าที่มันสกปกไม่ใช่ไปคิดมือแต่คิดอยู่ต้องมีการกระทำลงไปโดยมีวิธีการแต่ไม่มีการกระทำจะคิดว่าผ้าเมื่อใดจะสะอาดไม่ได้ บ้านมันสศกปลกเต้องขวดการขวดบ้านเป็นการกระทำาพื่องะาดต้องเกิดขึ้นไม่กวดผ่านไปที่ใดตอนที่ฝนก็ออกไปที่นั่นกวดหลายรอบก็่สะอาดเดีวมันหลงรู้สึกตัวต็มหลงก็หมดไปแล้วเพราะการกระทำแบบนี้เออมันโกรธ รู้สึกตัวขึ้นมาความโกรธก็หมดไปแล้วเวเามันทุกข์มีความรู้สึกตัวความทุกข์ก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีความรู้สึกตัวให้มีสติผู้ที่จ ะ, ะทําหน้าที่เรื่องนี้ฉูกเฉินฉูกทุกข์เผลอทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเผลอหลงจนตายก็ไม่เคยทํา ป, ประอยทม า, ทมาทไม่ใช่เรื่องเงินตระบาทคือมันหลงเป็นผู้หลงมาทุกเป็นผู้ทุกข์นะประมาทมความไม่ทุกข์ก็มีก็มไม่โกรธก็มีทำไมไม่ใช่เราก็มีสิทธิรวมทุกข์ไม่เป็นธรรมรวมไม่ทุกข์เป็นธรรม พระพุทธเจ้าเคารพอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดฉลู<ฮ>ก็ต้องต้องเคารพพระธรรมพระธรรมที่เป็นอยู่ในเวลานี้ที่สั่งคมมนุษย์ก็เป็นผู้เคารพพระธรรมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าต้องทําตามพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องทําตามพระพุทธเจ้า ที่สั่งสอนเวลามันหลงไม่หลงมีสตินะว่าครูพระพุทธเจ้าเวลามันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธถือว่าครูพระพุทธเจ้าครูพระธรรมแต่มีพระธรรมประช่วามีพระพุทธเจ้าพุได้เห็นพระธรรมพุทธิเห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้เห็นพระธรรมคือเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไป <c oughs> ไปวาดวัตถุสิ่งของพระธรรมคือความเป็นจริงความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมนี่คือพระธรรมของหลงเป็นอธรรมก็มไม่หลงเป็นเป็นธรรม เป็นธรรมเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมดำความหลงเป็นธรรมดำความไม่หลงเป็นธรรมขาวความโกรธเป็นธรรมดำความไม่โกรธเป็นธรรมขาวมันต่างกันความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมเรีว่าธรรมหรือว่ากุศล ความหลงเป็นอกุศลความโกรธเป็นอกุศลเมื่อมีความหลงอกุศลอันอื่นความชั่วยอย่างอื่นก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็จเจริญมากขึ้นแต่ความไม่หลงคือกุศล เกิดขึ้นแล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เจริญมากขึ้นเนี่ยมาตั้งต้นจากที่นี่ม่ใชเป็นไปทําอย่างอื่นกรรมาฐานเป็นที่ตั้งของการกระทําให้ทําเรื่องนี้ก็หากมีความหลง นัอ่งอยู่เปลี่ยนบ้านก็ได้เอนอยู่เปลี่ยนหลงยืนอยู่เดินอยู่เปลี่ยนหลงให้รู้ได้ไม่ต้องไปทํามันอื่นอย่าเป็นแต่เพียงพิ ธ, ธียกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเห็นความหลงให้มีความรู้จึงจะเห็นความหลงถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไม่เห็นความหลง เมื่อเรามีตาตืนเอาไว้อะไรมันผ่านนาะก็จะเห็นเกิดทางตาก็ทั้งในปลอดภัยในชิงต่างๆได้แต่มันก็หลงได้ไดทั้งตาพอใจไม่พอใจได้มันไปมันไปแบบหนึ่ง เห็นทางความรู้สึกตัวมันไม่เป็นพอใจไหมไม่ไม่พอใจมันจบมันจบมันจบหลงไม่หลงก็แค่สัส้นสัน้นทุกข์ไม่ทุกข์ก็แค่สั้นส้ น, สนถ้ามาหลงก็ปล่ไกล <c oughs> ถึงเปรตถึงอริยลกะถึงสันนลก เป็นพบเป็นชาดเชื้อลมะมลนสุก็ไปเที่วทุกเกิดเก็บเก็บตายเก็บประความหลงทุกพระความหลงมีมากมายต่ตาเห็นมันก็ก็จะใช้เป็นประโยชน์มันก็ใช้ได้ไม่ไม่ไปไกลเวลาหนุ่มตาไปนอนที่โอเคทองสัตยาหาไป จอดรองเท้าไวหน้ากติเ่อจะไปสวมรองเท้าเดินจะกมในกติในพื้นปูนรองเท้าก็บรองเท้าผ้าใจในกติตะขาบมันอยู่นั่นไม่รู้มันมาเกี่ยวขาแลยังส่อง คอยฉายดูปฏิทินมันวันนี้วันวันที่เท่าไหร่มันวันอะไรว่าจะพูดออกอากาศเรส่วนลองเทง่าอะไรมันเ ข, ข, ขี้ยวขาเี่นทีกว่าอะไรมาทานฉายไปดูขาตะขาบเขี้ยวขาก็ตาเห็นอะไรไล่มันออกนี่ตาเห็น ปลอดภัยไม่ถูกตะกาบกัดเอะมันก็ไม่รู้อะไรเมื่อวานเนี่ยอาเนี่ยก็ใช้ได้นะไปนั่งกันลังพูดขยายกระจายข่าวออกอากาศสอนธรรมะนั่งอยู่มันมีก้อเสือมันมีอาสนะนั่งกันนั่งทับก้อเสือ เสลาน้อยๆเห็นโค้งวนนั่งไปให้งูตำตานเลือยออกจาออยากก่อเสือไปมองเห็นงูทำทานเนี่ยกำลังพูดสนกุกสนาอยู่เรานั่งทับอ่ะนะลุกเลยงูเลยไม่ได้พูดเลยวันนั้นไปหยุดเลยเลย ไ, ไรปรเดินจกกังกรมนี่ตาเป็นเห็น มั น, นก็ใช้ได้อยู่แล้วสติม you ันยอดเยี่ยมคนนั้นเห็นทุกลองดูซิถ้ามีสติจริงๆนะมีไหมสติหรืว่หลงเป็นผู้หลงานานเท่าไหร่เคยมีสติไหมทุกทุกมาจีงแล้วเคยมีสติไหม โกรธโกรธปาขีข้างเราเคยมีสติรู้ตรงนี้น ไ, ไหมเมื่ อ, อไรจึงจะรู้<อ>มันทุกจนตายหรือหลงจนตายหรือโกรธจนตายหรือชีวิตเราเนี่ยแตไงมันเป็นอย่างนี้อะไรมันเป็นชาติปัสย์ตามยังไรเราหมาคิดเป็นโจทย์าถือห้งโกมหลงเป็นโจทย์ชีวิตเรา ถ้าหลงเป็นหลงเราก็เป็นจำเลยของควมหลงไปเรื่อยไปจนแก่เจ็บตายมันไม่ใช่แล้วอืม่มความโกรธเป็นโจรโกรธเป็นโกรธเราก็เป็นจำเลยความโกรธเป็นทาสของความโกรธ ม, มันบังคับให้โกรธเฮ้ยเสียเปียบความโกรธไหมพวกเราที่นั่งอยู่นี้ คนที่เราลักเราก็โกดมีไหมทำไมเป็นอย่างนั้นไปรับใช้มันไปด่ากันไปฆ่าไปตีมันไปทะเลาะกันให้ความโกรธทำให้เกิดความแตะแกเป็นไปได้ยังไงอะไรที่มันเป็นจริงไปเสอชีวิตเราเนี่ยเราเป็นจำเลยรับใช้เขาดังนั้นลนะีกว่านั้นไม่มีเลย ทำไมเป็นลำไช่ความโกรธมันถูกต้องหรือเปล่าเป็นธรรมไหมเป็นโทษไหมมีพิษมีภัยไหมน่าจะวิพากษาให้บันจบก่อยวิพากษาตัวเองเนี่ยอย่างพัชรัตถาอายุ ชนอายุ16พราษาเห็นความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายอันอื่นไม่สงใจเราจบสิกตศาสตร์มาแล้วเยนมาจบเป็นอริยมนุ์คนหนึ่งทำไมจึงมีคนเห็นคนเกิดประพาสกุงกับวินลพันธ์เห็นคนแก่เห็นคนเก็บ เ, เ, เห็นคนตายเห็นสมณะเป็นโจทย์ มาถามพระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้เลยเมืนคนแกคนเจ็บ ค, คนตายก็เห็นแต่ผู้รอ ง, องห่มร้องไห้เราก็เคยร้ อ, รองไห้เพราะความแก่เพราะความตายพัดภาจากของรักของอบจบจอยเยทุกข์เ เป็นยังไงจึงมาเอานี่เป็นโจ์ได้ไม่ยอมแต่ยังไม่มีเวลาทํเรื่องนี้แต่ไม่ยอมถือว่าเป็นการบ้านแต่ต้องแก้เรื่องนี้ได้จนพระชนมายุ1ิบเ้าพรรษาได้ <c oughs> หล่อไม่ได้แล้วออกจกุกฌานนี้ จันได้คำตอบภายในหกปีสมสี่ม 4, สมหไปครูอาจารย์ที่มีอยู่แล้วก็สอนไม่ตรงสักลูกเลยคูทั้งหกปกุิปกุิจักใจนะมะขลิโกสอนมะขลิโกสาร อะไรเอะไรหลวงพ่อใหญ่หน้าเถรพลสนใจเวลตเถรพลอคติกเกตกรรมผลอุทุกอะไรครูทั้งสองอยู่มันก็ขี้เกียจจำลืม หลายครูสอนสอนเรียนจนจบไม่ต้องยังไม่เจอกันเจอกานเจ็บกันตายเดิงไปศึกษาด้วยตนเองนอนเชี่ย น, นอนหลามไม่กินข้าวไม่กินน้าตลอดถึงไม่หายใจจะลม อ, อกหู ขนล่วงขนหลุดหดไม่มีใครทำขนาดเพสิทธัตถะนะหมดสภาพไม่เหมือนเป็นโลกมะเร็งไม่เหมือนกีโมนะหลวงพ่อพให้กีโมขนลุ่งอันขนร่วงจากการทรมานแหนัดโถมีมนุษย์คนไหนที่ทำแบบนั้นมีสิทธัตถะจนไม่ไม่มีมนุษย์คนไหนทำขนาดนี้หรอก ต้องมีวิธีอื่นนะจึงมาเนี่ยมาทำแบบเนี้ยไอ้ เ, เหมือนเดินหกนั่งตูดต้นหม้ไม่ใช่นั่งอยู่หัวงใจเหมือนเราก็ตีเหมือนเราเขียดเข้ารู้จึกตัวเอื้อเขียนออกรู้สึกตัว ไม่ได้ใช่ศาสตร์สิบเจ็ดศาสตร์อะไรเลยเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาโอ้แขนเข้าเยอาแขนออกู้จึกตัวหายใจเข้าหายใจออกู้สุกตัวเปลี่ยนไปบางเดก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเหมือนพวกเรามีหลักมีฐานมีพระสูตรเรื่องนี้มีร่องมีรอย สีหลาต้นสีมหาโพลงตา ก, ก็ไปดูทางเดินจะกรมอยู่ทางทิศเหนือของสีมหาโพธิ์ทอย่างนี้ไม่ใช่ไปเอาวิชาที่เรียนบาสักกันเลยสตร์ทั้งหลายนั้นมาเอากายเป็นตาลาเอาใจเป็นตาลาเอาสติเป็นนักศึกษามารู้เรื่องนี้เข้าไปเลยนี่ จึงเดียนตามพ่อกาะตามโูงอชนถึงทุกวันเนี่ยมีอยู่จริงสอนเรื่องนี้เราสัมผัสได้จริงเวลานี้หายใจเข้าหายใจอกก็รู้ได้พิบตาก็รู้ได้ื่้นไหวก็รู้ได้ทำให้มันเป็นอย่างไะ จะมีแต่สติรู้สึกตัวใน ไ, ได้อดขัด้วด้ามาหลายไม่ใช่แข่งคัดจนไม่พูดไปจาข้อไม่ชาติขณะที่มีความรู้สึกตัวอะไรมันเกิดขึ้นมากมายตอนนั้นคนที่จะตั้งใจทําอะไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรนอกจากมีสตินี่คือกรรม ค, คือการอย่าไปเรียกร้องความสะดวกความสบายอย่าไปกลัวความทุกข์ความยากโต่อรองจะเอาความได้ไม่ได้มาต่อรองไม่เกี่ยวเมื่อจะทําำอะเรการที่ทําลงไปมันก็มีความลําบากยาก คนที่นั่งอยู่ต้นไม้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็มากัดแตดก็มาออกลมแดดก็มาถูกลมก็มาพัดฝนตกก็เปียกมีปัญหาแน่นอนนอกจากธรรมชาติแล้วทางจิตใจก็มีปัญหาคิดถึงเี็พาล่าหุน่นคนมีลูกก็คิดแบบคนมีลูกคนมีเมียก็คิดแบบคนมีเมีย ก็มีทรัพย์สินจะดึงคานก็คิดแบบคนมีทรัพย์สินจะดึงคานคนจนก็คิดแบบคนจนในความคิดของคนมมันก็มีแน่นอนอย่าไปครัวว่าไม่ใช่เราจะทำอะไรเหมือนก็ชาวนาจะทำ น, นาถ้าเป็นชาวนาอาชี้ยบฝนตกกไม่ได ไม่ได้กลัวแต่ฮัตออกก็ไม่ได้กลัวนิดเหนื่อยไม่ล้ะไม่ได้กลัวจากการกำแดดการผลหลังสูฟาหน้าโุเดนการทำนาคนจะทำนาไม่ได้ให้มันมีปุปชกชะอะไรเราจะทำเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ไม่หยุดพรกขวางหนดอไม่ได้รับใช้ความคิดอะไรที่มันมาสวนถาในการกระทำนั้น ไถนาเสร็จเป็นวันวันไปปักดํานาเสร็จเป็นวันวันไปในนาเนื้อนาสี่สิบห้าสิบไรมีแต่ลอยมือลอยเท้าของเราล้วก็ทําอยู่นะจนนาสมาเร็จเจ็บเกี่ยวได้สมาเร็จได้ข้าวมานจนินไม่ได้คิดเรื่องอื่นเป็นผีมือเป็นอาชีพนี่คือการกระทํา ใครจะช่วยไม่ช่วยไม่สนใจเราจะทำนี่คือเตียงกายเตียงใจทำอะไรมันจึงจะมันจึงจะสำเร็จทุงนี้ไม่มีสำหรับเราหววมายไม่ผู้นี้ไม่มีสำหรับเราคยชีิตันเราจะรู้เดี๋ยวนี้ ตมหลงไม่มีสำหรับรความทุกข์มันมีสำหรับเรกให้มันยิ่งใหญ่ถึกตนโสนโตนอย่างเนี้ยให้มันเฉลยไปซะแต่ที่สุดก็คือเรื่องเกิดเจ็บเจ็บตายนะจะเป็นจูดตรงนี้กันจึงมีงานเรื่องนี้เกิดขึ้นมา แร้วเจ้าก็ตัดฉลูเรื่องนี้ไม่ใช่ตัดฉลูเป็นปริญญาอันอื่นตัดฉลูเรื่องเหงือกลางเกิดเจอเ จ, เจ็บตางชาติทิ่งแล้วพวามฉันจบแล้วกลมหลงครั้งสุดท้ายแล้วความทุกข์ครั้งสุดท้ายแล้วความโกรธครั้งสุดท้ายแล้วเราไม่มีอีกแล้วปัญหาเกิดปัญญาขึ้นแล้ว ความตะกอ น, อนเป็นหลงความโกรธเป็นโกรธความทุกข์เป็นทุกข์ความรักความพอใจเป็นความเป็นไปตามเขาบันนี่ไม่เป็นแล้วจบกันแล้วสัมผัสตัวแล้วอาวะที่ไม่เป็นอะไรไม่ได้เห็นทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าจะยากนะมันไม่น่าจะยากจะต้องไปเอาอะไรต่อรง เปลี่ยนแต่มีสติเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเบื้องต้นเก้าแรกข้ามไห่ให้ข้ามไปต้องมีเก้าแรกกันนะข้ามไปข้ามไปมันก็ไปถึงได้เหมือน่างขึ้นหนาชุกโตมันขึ้นหน้าผาแต่ต้องทำให้มันลาดให้มันเห็นถ้าไม่ลาดมันขึ้นไม่ได้เป็นหน้าผา การทําวัตถุจริงของเครื่องนราดมันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ว่าธรรมะที่มันเป็นน้าชีวิตที่เป็นหน้าผาหลงเป็นหล ง, ลงโกรธเป็นโกรธ<ก>เป็นหน้าผาไม่ต้องมีเครื่องมือด้วยมีธรรมมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นจริงที่ทำให้ สิ่งที่ฉันเนี่ยหน้าผาที่มันลาดลงมีศรัทธาลงปล่อยเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วชั่วมีความเพียรพยายามเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงอย่าให้หลงเป็นหลงอย่าปล่อยเท่งให้มันชัดเจนเห็นหล ง, ลงเห็นไม่หลงตรงกันข้ามมีความเพียรตรงนี้มีสติลงปลอย มีสมาธิลงไปให้มั่นคงอย่าหนีไปทางเกลีใส่ใจมันมีปัญญาลงไปรอบรอบลูบไวใช่ทิ้งรอบลูไว้เนี่ยมันก็ทำไม้ลาดได้ถ้าหลงเป็นหลงมันชันขึ้นฝั่งไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ ถ้าหลงเป็นเห็นเห็นมันหลงมันจะลาดสักหน่อยไม่เป็นผู้หลงง่ายกว่าหลงถ้าหลงเป็นหลงมันชันหน้าผาขวางกั้นผู้เขาขวางกันเอาไว้เห็นมันหลงมันลาดแล้วไม่เป็นผู้หลง เรียบรงหน่อยเหมือนใบมีดแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ผ่านไปที่ใดมันจะต้องเรียบไปที่นั่นหรือไม่ขวดพางไปที่ใดก็สะอาดที่นั้นนี่ธรรมะเปลี่ยนเนี่ยมีประเสริฐจริงๆเป็นชัดชัธรรมชรัทาตัวเรื่องนี้มากมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาละศรัทธาเพราะการทำใบมีดเป็นแบบนี้ เรียกว่าศรัทธาเชื่อไม่ใช่โอ้ยเราพ่อนั้นน่ศรัทธาอาจารย์นั้นน่ศรัทธามันหลอกกันได้นะทำท่าอุ้มบอดเดินไปพิทบาทหลับตามองกลัมาว่าเราปล่อยผ้าทิ้งไม่ใช่มันหลอกกันได้นะศรัทธาแบบนั้นศรัทธาในวัตถุสิ่งของศรัทธาในการกระทำ ทำอย่างนี้มเป็นอย่างนี้จำคดูแล้วความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความกวดไม่เป็นธรรมควมไม่ขวดความทำความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมนี่ฌา น, นเห็นเอาลองดูเจนต้องมีสตินะมันหลงเห็นมันหลงหลงมันยากขวดไม่หลงเบา ไม่เป็นผู้หลงคอยอบปล่อยมันทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเออพอดีกู่เก่ากมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธอืมตามไปทีแรกอาจจะทวนก็ะแฉมันแต่ก่อนมันเคยคิดง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะทุกออกหน้าออกตาแบบ น, นี้ใช่ แผนใหม่ทวนกระแสสักหน่อยที่แรกเหมือนพระเจ้าก่อนเป็นพระเจ้าเสี่ยงถาดถาดทองรองรับไหลขึ้นเหนือน้ำมาถึงใจมันฉีมันทวนสักหน่อยแต่คิดถึงลาหุนแล้ว ก, ก็คิดมันก็มีรสชาตินะ ว, วเวลานน่ไม่แช่มานั่งคิดถึงลูกนั่งอยู่ต้นโพ เ, นเพื่อบำเพ็ญชำระธรรมไม่แค่มานั่งคิดถึงลูกเหมือนกลับมาอาศัยกรรมฐ า, านกลับมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่มานี่รู้สึกนี่มาเนี่ยมาไเนี่ อ, อคิดถึงเคลียร์ตาเอาไม่ใช่กลับมา เจอความคิดเจอความหลงหลงในความคิดเปลี่ยนมันทุกครั้งที่มันหลงมันคิดไปกลับมามันคิดไปกลับมากลับมาหรือใดปฏิบัติคือกลับกลับมาอยาไปมาตั้งไว้มาตั้งไวนะ้เลยคืนเดียวนะเกิดหยาดขึ้นเลยตีหึงตีสองเกิดหยาดขึ้นแล้ว เพราะอย่างรู้ทะลุทะลวงบางแล้วก็ค่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นเรื่องทําเป็นทําเป็นทําเป็นนะจนได้ตัดจะรู้ไอ้เรื่องนี้เรื่องการเกิดเจ็บเจบตายอะไรมันเกิดอะไรมันเจ็บอะไมันจะบันตาทําเป็นไหม ทานบ้านมันตัดถิ่นเรามาแล้วพิภาคษาแล้วนี่เราเป็นจำเลยของความเกิดความแก่ควาเจ็บวมตายถ้าชีวิตถอะพิภาคษาเถือเนเนื้อกาดเกิดแ เ, เจ็บตายเอ๊ะมันทำอย่างนี้นะมันเป็นไปได้ไงคิดทบทวนดูไม่เืินดัน ตลอดถึงอยู่ที่นั่นวางแผนแตัดจารูเล่ในวางแผนสี่อาทิตย์อยู่รอบสี่บางรัโพนจะทําไหม่มันเป็นอย่างนี้ทําไหมเกิดขึ้นแล้วได้ไปสอนคนอื่นจะมีคนรู้ไหม่เช่นผมบองภูเขารู้เมื่อเคยคิดอย่างนี้เมื่อเคยทําอย่าเนีไม่มีใครในโลกทำอย่างนี้ไม่มีครูที่เดียนมาก็ไม่สุขลงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เราศึกษาด้วยเจเองแท้ๆเอากายปาเาายป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาน่จะวางแผนยังไงคิดไปคิดมนาะว่าจะไม่สอนใครนั้นก็ไม่ได้น่าจะมีอยู่ประมาณประมเหมือนบัวสีเหลือเปรียบเทียบมนุษย์ในโลกนะเหมือนบัวสีเหลือ บัวบางประเภทพ้นน้ําพอแสงอาทิตย์ออกก็บานทันทีบัวอีกบางประเภทก็กำลังจะพ้นบัวอีกบางประเภทยอยู่กลางน้ำบัวอีกบางประเภทยอยู่ใต้ดินอ้าวอาจจะเป็นอาหารปลาอาหารเต่าไปแต่บัวที่มันจะพ้อนอยู่เนี่ยน่าจะไม่ปล่อยทิ้งอาจจะ จะจะบานได้ถ้าได้ยินคำพูดเจ้าหน่อยจะบานเลยต้องไปสอนคนใครที่จะรู้เรื่อนี้สมควรที่รู้เรืนี่อุทธกาดาวดลลาดาวดาเป็นครูคนท้ายที่สอนนอกจากนั้นไม่มีอีกถ้าเขาจะไปสอนก็ไม่มีแล้วคิดถึงใครอีกปัญจวิคีเออมี อาจจะมีกระแสชักงหน่อยมีคติชั่งหน่อยก็เลยไปสอนบัญจวิธีเดินทางเท่าโดยพระบาทตั้งสามรอยกว่า ม, นะมัหนอบรรยายันนั่นแะนะนะถ้าใครได้สัมผัสตรืงนี้เขาชั่งหน่อยจะจะคิดถึงคู่คน คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงใครละ่ทะทุกคนนึ่งละ่ะนะนะเพรามันเป็นสิ่งที่ ท, ที่มันต้องรีบด่วนชะน่อยเวลามันหลงไม่หลงน่าจะบอกแล้วมันโกรธไม่โกรธน่าจะบอก ง, ง่ายๆนะแค่นี้น ะ, ะบอกผิดบอกถูกแค่เนี้ยจะปล่อยกันที่ไงจนมัวถึงถูกวานเนี่ยวไม่ ร, รัวจรไมีการสั่งกานสอนกันอยู่ในเรื่องนี้น เราก็จึงมีที่แบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไปสู่ตรง น, นี้ดูนี่ก็เราก็ดีใจกับพวกเราทุกที่วิทยาช่วยมีแต่ปัญญาชนยอมมาเชื่อเราให้ทางกท็ทำมอาขอพูดอย่างนี้นะว่าใช่โอ้อวดอะละมันเป็นงานการของเราให้มาทำเองไม่มีใครช่วยกันได้ทุกคนต้อง แก้ไขปรับปรุงเขียนแปลงเปล่งถ้ามันหลงลนะงานเขาเราถ้ามันยมีทุกข์ม่โกรธต่างงานขเข า, เ, าเอาอันนี้แหละเป็นงานของเราสมควรเจเวลากับพระพ่อกัน